แต่มันไม่จบแค่นั้นนะพอเข็นไปถึงยอดเนี่ยก้อนถึงก็จะตกลงมาที่เชิงเขาแล้วเขาจะต้องเข็นขึ้นไปมันยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขานะเลราะครกนี่มันยังเล็กนะแต่หินที่เซเฟัตนะเข็นเนี่ยมันมันใหญ่ทีเดียวก็จะต้องทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่มีหยุดนะเรียกว่าจนกว่าจะตาย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 นายซิเซฟัสคนนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ขนหินขึ้นภูเขานะแต่ว่าเราเจออีกแบบหนึ่งนะก็คือคนเราเนี่ยมาเกิดมาแล้วนี่ก็ต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความพลัดพรากแล้วก็เจอความตายมนไม่มีใครนะที่จะหนีชะตากรรมอันนิพนลเกิดมาแล้วนะก็ รอที่จะแก่ชราแล้วก็เจ็บระหว่างนั้นก็มีความพัดพลาดสูญเสียต้องเจอความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจผ่านความเศร้าโศกเสียใจเพราะพัดพราดคนนี้ไปก็ไปเจอความสูญเสียอย่างใหม่เช่นตอนเป็นเด็กก็อาจจะเสียปู่เสียย่าเสียตาเสียยาย แล้วพอโตขึ้นก็เสียพ่อเสียแม่เสียแต่เสียคนนี้ก็หนักแล้วนะแต่ต้องเสียอีกเสียพ่อแล้วทุกทรมานเศร้าโศกเสียใจผ่านไปได้ก็เสียแม่แล้วแต่ต่อไปก็เสียพี่เสียน้องเสียเพื่อนเสียคนรักเสียลูกเสียหลานเสร็จแล้วก็ถึงวันที่เราต้องตายตายเสร็จนะมันก็ไปเกิดใหม่ เกิดใหม่เพื่อที่ได้มาเจอกับนะความแก่ความเจ็บความพักพ่ายสูญเสียและความตายตายเสร็จก็กลับมาเกิดใหม่นะตามกติความเชื่อของคนไทยที่ว่าเนี่ยเวียนว่าตายเกิดมันก็ไม่ต่างจากนายซิเซฟัสนะนหินเข็นหินแทบตายถึงยอดแล้วมันไม่จบแค่นั้นแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่เป็นวัตจักรวันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่เพาพวกเราก็เหมือนกันนะก็เจอวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายชาติแล้วชาติเลาชาติแล้วชาติเล่าลวกว่าจะกว่าจะหมดลวมได้นี่ไม่รู้ต้องอดเจอความทุกข์เจอความลำบากแสนเข็นไปมากมายแค่ไหนเจอความสูญเสียคนสูญเสียคนรักนี่ก็ทุกข์แล้วนะแต่มันก็ไม่ใช่แค่เสียคนเดียวเสียอีก เสียหนึ่งเสียสองเสียสามกว่าจะหายเศร้าโศกเสียใจนึกว่าสบายแล้วอา้าวก็เสียอีกแล้วพอหายเศร้าโศกเสียใจอา้าวเจอเอีกแล้วอันนี้คือชะตากรรมของมนุษย์นะที่ก็ไม่ได้ดีไปกว่านายซิเซฟัสเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีเรื่องน่าคิดอยู่ตรง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 ให้เขาทําเรื่องที่น่าเบื่อยังมันจะได้เกิดความทุกข์ทรมานจะตายก็ตายไม่ได้ก็ต้องเข็นไปเรื่อยๆแต่ว่าซิเซฟอนนี่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะก็ก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องถูกต้องทําภารกิจนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ทุกข์เขาก็ทําใจไม่ทุกข์ได้แต่ทั้งที่สิ่งที่เขาทํานี่มันทั้งทั้งยากแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลย แต่เขาก็สามารถจะอยู่กับมันได้มีความสุขคือว่าถึงแม้จะเหนื่อยนะเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจานี่ไม่ได้เหนื่อยไปด้วยอันนี้นก็โยงถึงเราด้เหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าคนเรานี่ต้องเวียนเกิดเวียนตายนะพบแล้วพบเราเกิดแต่ละทีก็ไม่ใช่ว่าสบายความสบายที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์ แล้วก็ความทุกข์ยึมก็คือความแก่ความเจ็บความพัดพลากสูญเสียความตายไอ้ที่ยังมีจรเท้าาหี่หลายอย่างนะนะเช่นการถูกต่อว่าดาทอติชินนินทาหรือว่าการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นต้องประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักอันนี้ก็มานี่คือชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนนะ ที่เกิดมาในโลกนี้แต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วนะเราต้องแก่ก็ดีต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้ไม่ทุกข์ได้เหมือนกันนะก็คือว่าแม้จะแกะ่มันก็แก่แต่กายนะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยแม้ว่าจะเจ็บนั้นก็เจ็บแต่กายแต่ใจไม่ได้เจ็บไม่ได้ทุกข์ด้วย ถึงเวลาตายนะมันก็เป็นเรื่องของธาตุขันนะที่แตกสลายแตกดับไปแต่ว่าใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์ถนะ้าคนเราถึงแม้ว่ายังต้องอเวียนเกิดเวียนตายนะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะรับษาใจให้ไม่เป็นทุกข์ได้ไปกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคสูญเสียทําได้ยังไงนะก็ต้องอาศัยธรรมะนี่แหละธรรมะนี่มันช่วยทําให้เรา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 สิ่เสพติดฉันไดนะ้นั้นเราก็ฉันนั้นนะนะเราก็ถึงแม้ว่าจะต้องถูกบีบคั้นด้วยความแก่ความเจ็บความพัฒนาความตายนะแต่ว่ามันก็บีบคั้นได้แต่กายใจไม่จำเป็นต้องถูกบีบคั้นด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกเราก็ยังมนุษย์เรานี้มันก็ยังมีข้อได้เปรียบนะมากกว่าซิ่งเสพตินะคือว่าเราสามารถที่จะเป็นอิสระจากวัตจักรอันนี้ได้ ไม่ใช่เราเราต้องเวียนเกิดเบียนตายกันชาติแล้วชาติเราไปจนอนิรันดรมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะหลุดออกจากวัฏจักรนี้ได้ออกจากวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเวียนเกิดเวียนตายซีเซฟรรันนี่มันออกไม่ได้นะถูกพระเจ้าลงโทษเพอเพอพระเจ้าทําให้มันให้ซีเซฟันเป็นอมตะเลยเป็นอมตะคือไม่ตายก็โคดอยู่นั่นแหละ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 เป็นว่าตายเกิดอย่างนั้นแต่มันเป็นเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติตาดใดที่ยังยังมีกิเลสตันหานาไปสู่กรรมกรรมนี่มันก็นำไปสู่การเกิดต่อไปถึงแม้ว่าร่างกายแตกดับจิตแตกดับแต่ว่ามันก็มันก็เกิดใหม่ชาติแล้วชาิเ่าพืะเจา้าในเปรียบว่า วิญญาณเนี่ยหรือจิตเนี่ยเหมือนกับมเมล็ดน ะ, มะเมล็ดข้าวก็ได้ส่วนกรรมนี่เหมือนกับพุ่งนาหรือแผ่นดินตันหานี่ก็เปรี่ยนเหมือนกับยางนะยางในมเมล็ดข้าวถ้ามเมล็ดข้าวมันนีมียางอยู่นะแล้วก็มันมันตกมาในดินนะมันก็เกิดเกิดเป็นต้นแล้วต้นนี่ก็ออกรวงไอ้รวงข้าวนี่ก็มันก็มี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 แต่พระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าไม่มีกรรมละอยู่เหนือกรรมเหนือกรรมทั้งกรรมดํากรรมขาวทั้งกุศลและอกุศลทั้งบุญและบาปนี่อยู่เหนือแล้วและแถมตัณหาก็ไม่มีล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับมเมล็ดข้าวที่มันแหง้งแล้วก็ไม่มีดินด้วยไม่เจอดินมันก็ไม่งอกเป็นข้าวต้นใหม่ อันนี้คือสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติมนุษย์เรานะสามารถจะหลุดพ้นจากวัฏจกักรเวียนเกิดเวียนตายนี้ได้ก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงการปฏิบัติธรรมนี่นะนมันก็คือการที่ทำให้เราเห็นความจริงตรงนี้แล้วก็พัฒนาความสามารถขึ้นมาจนกระทั่งเราเป็นอิสระได้ อิสระจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องแก่เมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องรอให้ให้เกิดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเกิดจากท้องแม่นะเกิดในที่นี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการเกิดทางจิตใจทั้งหรือที่บางท่านเรียกว่าการเกิดทางวิญญาณก็ได้ก็คือว่าเกิดความสําคัญมาหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี้ คนเรานี่มันเกิดความสำคัญมากมายเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยๆอย่างอย่างเช่นตอนนี้นะเวลาเจอพระโยมก็รู้สึกว่าฉันเป็นคารวาฉันเป็นคลรืหะหรือฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่พอลูกมาลับนะก็เกิดความสำคัญว่าฉันเป็นแม่ฉันเป็นพ่อไปเจอฝรั่งนะก็เกิดความสำคัญว่าฉันเป็นคนไทย ความเกิดในทางความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไทยฉันเป็นพ่อแม่ฉันเป็นโยมฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะนี้เรียกว่าเกิดทางวิญญาณนะเรียกว่าเกิดชาติขึ้นมาปัะตุตเจ้านี่ไม่มีเกิดแบบนี้แล้วไม่มีความสำคัญว่าเป็นมนุษย์เป็นเป็นอะไรทั้งสิน้นอย่างที่ได้เทศน์ในเมื่อวันศุล น, นะว่าเนี่ย เคมีพรามคนหนึ่งมาถามพุทเจ้าว่าท่านเป็นเทวดาไหมพุทธเจ้าก็ปฏิเสธท่านัที่คือเขาเห็นพระองค์เนี่ยมีสง่าราศีมากก็เนื่อเป็นเทวดาถามว่าพระองค์เป็นเทวดาไหมพระองค์ก็ปฏิเสธถามว่าพระองค์เป็นคนทันคนทันนี่ก็เทวดาชนิดหนึ่งพระองค์ก็ปฏิเสธถามว่าพระองค์เป็นยักษ์ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธพรามก็เลยจีงลงไปว่าพระองค์เป็นมนุษย์ใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธอีก เพืนพรามก็เลยนงงตกลงพระองค์เป็นใครผูเจ้าก็ตัดว่าอาสวะกิเลสที่ทําให้พระองค์เป็นเทวดาเป็นยักษ์เป็นคนทันเป็นมนุษย์มันพระองค์ได้ละแล้วหรื้อถอนหมดแล้วนะถือไม่เป็นอะไรแล้วนะไม่เป็นอะไรแต่ที่ี่หมายถึงว่าไม่เป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นด้วยอํานาจของอุปาทานไม่มีวันนี้เรียกว่าไม่เกิดนะไม่เกิดในทางจิตใจว่าเป็นเป็นอะไรทั้งสิ้น ซึ่งอันนี้ก็ก็คือเรื่องเดียวกับที่หลวงพ่อได้พูดนะว่าอยู่เสมอวันนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไรคนที่ไม่เข้าใจก็งงตกลงหลวงพ่อเป็นอะไรเป็นใครก็เป็นหลวงพ่อไม่ใช่เลยเป็นพระไม่ใช่เลยอันนั้นเป็นสมมุตินะเป็นสมมุติแต่ว่าในจิตใจนะอย่างของพระเจ้านี่คนก็จะมอพระเจ้านี่ก็เป็นลูกกษัตริย์นะเป็นนักบวชเป็นพระบรมศาสดา เป็นเจ้าสำนักอันนั้นมันเป็นมุมมองของเขาตามสมมุติแต่พระองค์ไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์เป็นอะไรเลยไม่มีความสําคัญไม่หมายเป็นอะไรทั้งสิ้นไอ้ที่เป็นนั่นมันเป็นโดยสมมุติเสร็จแล้วพระเจ้า ก, ก็จัดว่าเนี่ยโตลงพราดนี่ก็งงว่าจะเรียกนั้นพระพุเจ้าเป็นใครพระเจ้า ก, ก็เลยบอกว่าให้ถือว่าเราเป็นพุทธะก็แล้วกันถือว่าอันนี่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องสมมตินะให สมมุติก็คือการถือหรือเข้าใจร่วมกันให้ถือว่าเราเป็นพุทธพุทธาในที่นี้ก็เป็นสมมุตินะในจิตใจของพระองค์เจ้าก็ไม่ได้คิดว่าหรือสําคัญบรรหมายพระองค์เป็นพระองค์เจ้าได้ซ้ําอันนั้นมันเป็นเรื่องที่คนเขาเรียกกันหรือคนก็สมมุติกันพระองค์ก็รู้สมมุตินะแต่ว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นอันนี้แหละคือหมายถึงการไม่เกิดทางจิตใจ ไม่เกิดทางวิญญาณไม่เกิดพบไม่เกิดชาติซึ่งอันนี้เราก็ทําได้นะในเวลาที่เรามีสติเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีการปรุงแต่งเป็นพบเป็นชาติไม่มีความรู้สึกสําคัญมากหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ถ้ามีความรู้สึกตัวนะแต่ว่าพอเจอเจอลูกไอ้ความรู้สึกตัวจะหายไปก็เกิดความทรงจำฉันเป็นแม่ขึ้นมา ไปติดในสมมุติแล้วก็หลงในสมมุติไปเจอฝรั่งเจอญี่ปุ่นเจอคนจีนก็อ่านใจคนไทยอันนั้นนมันก็เป็นสมมุติที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นความปรุงแต่งถ้าไปยึดมันถือมันมันก็หลงแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะครัที่เราเดินจงกลมเราก็รู้ว่านี่เปนแค่สมมุติที่ใช้เรียกกันอันนี้ก็เรียกว่าภาวะที่เราทุกคนปฏิบัติได้เข้าถึงได้ และทำให้มันถาวรได้คือไม่ไม่กลับเริบกลับมาอีกนะเป็นได้ทั้งนั้นนะทั้งพระทั้งทั้งโยมทั้งแม่ชีและบางทีโยมอาจจะทำได้ดีกว่าพระหรือว่าเร็วกว่าพระก็ได้ในสมัยพุธการก็เคยมีนะมีครานึงมีพระหกสิบรูปเนี่ยจาริกไปยังเชตวันแต่ว่าไม่ทันถึงนะ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 มาตาไปว่าแมนะ่ท่านมาติกมาตาก็เห็นเห็นพระก็ดูว่าสํารวมนะตัวเลยถามว่าท่านจะไปไหนพอได้ทราบว่ากําลังหาที่จําบรรษานางก็เลยบอกว่ามาจำบรรษาในในที่ของนางก็ได้เพราะนางมีที่มีที่เยอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออถามถ่ายก็ เกิดความเข้าใจในพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเขาบอกว่าเนี่ยในระหว่างจาพรรษาน่นางก็จะก็จะรับศีลด้วยนะรับศีลห้าแล้วก็ปรารณนาว่าจะนำอาหารนะจะนำเครื่องดื่มนำะมาถวายนะเมื่อพระทั้งหกสิบูกก็ตกลงว่าจะจาพรรษาที่นี่แหละแล้วก็ตกลงกันว่าเนี่ยในช่วงจาพรรษาแล้วก็จะเปลีกวิเวกนะ จะมาเจอกันก็แต่เฉพาะเวลาฉันหรือว่าเวลามีเหตุถ้ามีเหตุอะไรก็ให้ตีละคังเมื่อตีละครั้งก็แปลว่ามีเรื่องที่ต้องมาพบปะกันก็จะมาหากันแต่ถ้าไม่มีอะไรนะก็จะหลีกเล่นปฏิบัติในกุฏิที่พระของตัวฝ่ายนางมาติกมาตาก็ให้คนใช้เนี่ยเอาอาหารไปถวาย เวลาอาหารมาก็ตีระฆังพระก็มารับแล้วก็ตักเสร็จก็แยกแย้ายกันกลับวันหนึ่ง น, ะนางมาติกรรมาตาก็มาเองมาเองก็เห็นว่าพื้นที่บริเวณนั้นเงียบสงัดมากก็สงสัยพระไปไหนนางอน้ำปานามาถวายก็ได้คําตอบว่าเนี่ยพระท่านหลีเล่นอยู่นะในในในกุฏนะิถ้าต้องการพบนะก็ต้องตีระฆัง นางก็เลยตีะระฆังนะพระก็มาจากทิศ ต, ต่างๆนางเห็นก็แปลกใจว่าเอ้ทำไมแทนที่จะมามาจากทางเดียวกันแทนที่จะมาทางเดียวกันแต่มาจากคนละทิศก็สันนิษฐานว่าก็เข้าใจไปว่าพระเนี่ยทะเลาะ ก, กันแต่พระทะเลาะ ก, กันก็เลยแยกกันอยู่นะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าพอคุยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพระทำไมได้ดทะเลาะ ก, กันหรอก พระท่านต้องการปลีกวิเวกนะก็เลยอยู่กันคนละคนละมุมคนละจุดไม่มีอะไรก็ตอเมื่อมีธุระถึงค่อยมามาพบกันก็ได้มีการสนทนาทำกันแล้วก็ถามว่าเนี่ยท่านภาวนาอะไรภาวนาเพื่ออะไรภาวนาไปทำไมพระท่านก็อธิบายนะภาวนามาติก็มาตายไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ได้เป็นชาวพุทธมาตั้งแต่แรก ล้วก็ถามเรื่องการภาวานาพระท่านก็บอกว่าเนี่ยภาวานาด้วยกายคตาสติเจริญความเจริญพิจารณาอาวิวาสสามสิบสองนะ ท, งที่เราสวดกันนั่นแหละในร่างกายมีเกสาลมานขาตันตาตโจอย่างเงี้ยนางก็สนใจแล้วก็นำไปปฏิบัติบอราว่าทำไม่นานนะก็เกิดบรรลุธรรมเป็นพระนาคามีเลย พระนี่ยังเป็นปุตุชนอยู่เลยนะนางนี่ไปแล้วล่วงหน้าไปละเ ก, ก่งกว่าครูอีกนะครูสอนนี่ยังเป็นปุตุชนอยู่เลยแต่ว่าลูกศิษย์นี่เป็นอุบาสิกาไม่รู้จักพุทธ ศ, ศาสนาเลยจนกระทั่งเนี่ยมาเจอพระเนี่ยแต่ว่าบรรลุธรรมได้เร็วมากเป็นอนาคา ม, มีแล้วก็มีอภิน ญ, ญาคือรู้ใจได้นางก็เลยวันหนึ่งก็ลองนะลอง อย่างจิตไปไปดูว่าพระแต่ละรูปเป็นอย่างไรเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะท่านบรรลุธรรมเหมือนเราไหมก็บอกว่าก็พบว่าพระเหล่านั้นยังไม่บรรลุธรรมเลยยังเป็นปุถุชนอยู่นางก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงไม่บรรลุธรรมเป็นเพราะว่าเสนาสนะมันไม่ดีไหมก็พบว่าในความรู้สึกของพระแต่ละรูปท่านก็ท่านก็พอใจเสนาสนะ ก็ยังไปดูเรื่อยๆนะสุดท้ายก็ถามว่าอาหารมันขาดแคล ร, รือเปล่าอาหารไม่ดีไหมก็เพราะว่าในความรู้สึก ข, ของพระเหล่านั้นเนี่ยท่านก็รู้ว่าอาหารมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านก็เลยนะจัดการนะนำอาหารอย่างดีมาถวายอย่างดีในที่นี่คือว่ า, า ใ, หให้สมบูรณ์นั่นนะก็ปกว่าพอพระท่านได้อาหารคราวนี้การปฏิบัติก็จเจริญก้าวหน้า เรื่องอาหารสัปปยะอย่างอื่นสัปปายะหมดแล้วนะขาดแต่เรื่องอาหารพอได้อาหารพอเพียงกับการปฏิบัติธรรมก็ปรากฏ บ, บรรลุธรรมเลยนะบรรลุธรรมอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเกร็ดหนะ้าที่เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าเนี่ยเรื่องอาหารก็สําคัญนะถึงแม้ว่าจะมีสัจเสนาสนะที่ดีหรือว่ามีความตั้งใจแล้ว แต่ว่าถ้าอาหารถาดแคลนหรือว่าไม่กระเพองกระแพ่งก็มีปัญหาแต่พวกนี้แนี่ยครับว่าอาหารที่สุกโตนี่มันไม่ดีนะดีดีอยู่แล้วนะแล้วก็อาจจะดีเกินไปด้วยอันนี้เนี่ยพระทั้งหสิรูทั้งกับบรรลุธรรมและพอออกพรรษาทั้งก็เลยท่านก็เลยไปเฝ้าพระเจา้าที่เฉตะวันแล้วก็เล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราว ให้เพื่อเจ้าฟังก็มีพระรูปหนึ่งอยากลองของพอาที่ว่านางมาติกมาตานี่อย่างรู้วารจิตคนก็อยากจะไปลองดูมั่งก็เลยไปไปผู้เดียวเลยนะไปที่บ้านของนางมาติกมาตานางก็ต้อนรับดีนะคราว น, นี้พระรูปนี้ก็อยากจะลองว่านางเนี่ยอย่างรู้วารจิตได้หรือเปล่าก็เลยพูดว่าเนี่ยสถานที่มันมัน ไม่มีใครปัดกวาดเลยถ้ามีใครปัดกวาดก็ดีนะนามติกมาตาลู้นนะก็เลยส่งคนชัมาปัดกวาดอันนี้พระก็ลองทดลองอูกว่าเออถ้าเรามีข้าวยาขู่ฉันนี้ก็จะดีนะนามติกมาตาก็รู้นะก็เลยส่งอ า, อาส่งข้าวยาคูมาถวายลองแบบนี้หลายๆครั้งในสุดนะพระรูปนนี้ก็รู้แล้วว่านามติกมาตานี่อย่างรู้วารจิตได้จริงๆ ขันี่หละกลัวเลยนะกลัวเพราะกลัวว่าตัวจะคิดชั่วเดี๋ยวโยมจะรู้ก็เลยขอลาไปเลยขอไปดีกว่ากลับกลับเชตวันดีกว่าพอไปถึงเชตวันพระเจ้า ก, ก็ถามว่าอ้าวทําไมถึงรีบกลับก็ได้คําตอบว่าเนี่ยเพราะกลัวว่านางจะยังรู้จิตใจของตัวกยทําให้การปฏิบัติลําบากเพราะว่ากลัวนะ ยิงกับพวกเราเนี่ถ้าเกิดเรารู้ว่าครูบาอาจารย์คนไหนนี่อย่างรู้ว่าละจิตได้นี่เราก็ตัวรีบเลยภาพรูปนี้ก็เหมือนกันก็เลยบอกว่าไม่ไม่เอาละไม่ไปดีกว่าแต่พุทเจ้าก็ขยันขยันนะวันนี้ยก็ควรจะไปน่าจะกลับไปภาพรูปนั้นก็ถามว่ากลับไปแล้วจะทําอย่างไรปฏิบัติตัวลําบากพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี้ก็ทําอย่างเดียวนะข้อเดียวพอทําอย่างไร พระเจ้าก็ตอบว่ารักษาจิตให้เป็นปกติอพอได้พอไดอ้แนวทางนี้นะพระท่านก็เกิดเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กลับไปนะก็รักษาใจให้เป็นปกตินะไม่ไม่หวั่นเกรงไม่วิตกว่านางมาติกรมาตานี่จะรู้ว่ารจิตของตนหรือไม่แล้วก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมก็เจริญก้าวหน้านะจนกรทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต เรื่องนี้นี่ก็ให้ง่ายคิดหลายอย่างนะอย่างที่เล่ามาเนี่ยแต่ประเด็นสมคัญคือว่าบางครั้งนี่อุบาสิกาหรือว่าผู้ไกลธรรมะก็สามารถจะรู้ธรรมได้เร็วกว่าพระรู้ธรรมได้เร็วกว่าครูบาอาจารย์นะที่รู้ธรรมได้ซ้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ่บางคนจะบอกว่าเป็นเรื่องของบุญญาบารมีในชาติบังก่อน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 ปฏิบัติด้วยซ้ําอย่างโยมก็มีสีน้อยกว่าพระนะแต่ว่าการปฏิบัติก็อาจจะเจริญก้าวหน้ากว่าก็ได้หรือว่าเอาแค่สีข้อเดียวก็พอถ้าใช้สมาทานสีข้อเดียวก็าจะรุดหน้าก็ได้อย่างที่พูะเจ้าได้แนะนําพระรูปเนี่ยนะว่าเพียงรักษาใจให้เป็นปกติก็พอ อันนี้ก็เหมือนกับว่ามีศีลแค่ข้อเดียวเป็นศีลอริยะเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่กายวาจาแต่มุ่งไปที่ใจงั้นถ้าเรารู้จักจับหลักตรงนี้ได้นะเราจะถือศีลแปดศีลห้าหรือศีลสองยี่สิเจ็ดข้อก็ตามหรือจะถือศีลเป็นพันขอ้อก็ตามศีลทำไมก็คือการทําให้ใจปกติเรารักษาศีลเยอะแต่ว่าใจไม่ปกติเกิดความหลงตัวลืมตนหรือว่า ยกตนข่มท่านดูถูกผู้อื่นอันนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรือว่าทำด้วยความโลภอยากให้คนเขาสารเสริญอยากจะให้ได้ราบสักการะมันก็ไม่ทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าได้ถ้าลงมาลงที่การารักษาใจให้ปกตินะให้การที่จะเห็นธรรมจนกระทั่งบรรลุถึงอิสรภาพ